อภินญญ ย, ะยะธรรมที่เราศึกษากันนั้นถ้าอย่างเมเชาที่ยกพรมมายุสูตรกับเสลสูตรที่พระองคตว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละเราละแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคำว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วในสูตรนั้นเนี่ยนะหมายถึงวิ ช, ชากับวิมุตมัต ก็คือมรรคผลนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนั้นพระองค์รู้ยิ่งแล้วสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วอริยมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญพระองค์ก็จเจริญแล้วพอเรามาเรียนในอภินัยธรรมสุตตมยญาณปฏิสัมพิธามรรคนั้นเป็นการกล่าวอีกในหนึ่งใช่เป็นการกล่าวอีกปริยายหนึ่งทั้นการกล่าวธรรมในใน พระตตยปิฎกหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวธรรมนั้นคำคาเดียวนั้นสามารถแสดงได้หลายหลายปริยายด้วยกันมีความหมายในหลายๆอย่างไอความหมายหลายๆอย่างเนี่ยจนผู้ที่รอบรู้หรือศึกษาพระไตยปิฎกมามากๆเนี่ยเห็นคำแล้วเขาจะไม่รีบแปลอย่างเช่นกัปปะเนี่ยอย่างเช่นสามว่ากัปปะเนี่ยเขาเห็นปั๊บเขาจะไม่รีบแปลหรอกถ้าเป็น ถ้าเป็นคนที่ศึกษาพระไตรปิดกกว้างขวางจริงๆเพราะกัปปะแปลว่าวิตกก็ได้เช่นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะกัปปะนี่แปลว่าเป็นชื่อของตันหากับทิถีก็ได้ตันหากัปปะทิถีกัปปะเนี่ยนะดังนั้นอย่างปุปปันตะกัปปิกะทิถีเนี่ยกัปปะตัวนั้นมันเป็นชื่อของเรื่องอดีตหรือบางทีกัปปะแปลว่ากับแปลว่ากันก็ได้เพราะฉะนัพท์เดียวนี้เขาจะไม่รี้แปล อย่างอภินยยธรรมก็เหมือนกันที่เรากําลังเรียนอยู่ น, นี่เขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยอภินญ ย, ยะเนี่ยมันต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าศัพท์นี้อยู่ที่ไหนอภิญญะกับอภิญญาเนี่มันกลุ่มคําแนวเดียวกันนั้นอภิญญานี่ความหมายอีกอย่างหนึ่งอภินญ ย, ยะตามที่ต่างๆก็คนละความหมายอภินญะในในพระสูตรบางสูตรนั้นเป็นยาตะปริญญาเนี่ยนะอย่าง น <aya> ิพพานยาสัมโพธายะนะอภิญยาตัวนั้นสัมโพธายะตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเทนั้นศัพท์เดียวนั้นในหลายๆแห่งเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันคนพู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นคืออยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปจนเกินไปว่าเห็นศัพท์นี้ต้องแปลอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้อย่างศัต์ตะนะั่นแปลได้กี่อย่างอะสัตตะนะแปลว่าเจดก็ได้ใช่ไหม แปลว่าศัพโตก็ได้สัตต์ก็แปลว่าเจ็ดเหมือนกันหรือแปลว่าศัตวะนะ์ไหแปลว่าเจ็ดก็ได้แปลว่าศัตวะก็ได้ทีนี้ถ้าเอาเจ็ดไปแปลเป็นศัพเอาศัพไปแปลเป็นเจ็ดนี่ยุ่งมากอย่างเช่นอนุปสันศัตตนุปสนานะี่นะเรียกว่าตามเห็นโดยความเป็นศัพ น, นี่ยุ่งอนะอันนี้ก็ยุ่งมากแล้วบางแห่งเนี่ยที่แปลว่า ที่แปลว่าสัตว์จริงๆไปแปลว่าเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็ยุ่งใน <c oughs> ทําให้เห็นว่าเอาใครรีบเห็นสั์อะไรแล้วก็จนไม่ได้ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ได้ดูคําอธิบายประกอบไม่เข้าใจถึงพุทธประสงค์จริงๆนี่ก็นี่ทําว่าง่ายๆก็คือกล่าวตูพุทธพจน์ไม่ยากนะนะต้องพยายามดูอัตถกถาแล้วก็ดีกาพยายามดูให้กว้างขวางแล้วก็แต่ละแห่งเนี่ยถ้ามีธรรมะหลายในเราก็พยายามแสดงแบบ หลายในอย่างเมื่อกี้สนทนากันถึงเรื่องอาสวะอาสวะเนี่ยจะนับว่าเป็นหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอาสวะนับว่าเป็นหนึ่งเพราะว่ามันไหลไปหรือหมักดองเนี่ยเรียกว่าปริยายแบบอาสวะหนึ่งหมักดองเพรามันนานเต็มทีละหรือว่าไหลไปเนี่ยโดยทําถึงโคตรภูโดยภูมิถึงพะวะกระพรมเนี่ยนะมันไหลไปถึงเนวสัญญาเนี่ยแหละถ้าอาสวะสองอาสวะในปัจจุบันกับอาสวะในสามปลายภพ อาสะวะในปัจจุบันเนี่ยอาสะวะตัวนี้แปลว่าเรื่องเสียหายนะเรื่องเสียหายเช่นเสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นเกิดจากความทุศินส่วนอา ส, ะอาสะวะในสัมปรายภพหมายถึงอบายถ้าอาสะวะโดยปริยายสามอันนี้หมายถึงกิเลสปริยายสี่ก็เป็นชื่อของกิเลสถ้าปริยายห้าเป็นเรื่องของกรรมอาสะวะห้าคืออาสะวะที่นำไปสู่นรกอาสะวะที่นาไปสู่เปรต อาสวะที่นําไปสู่เดรัชานอาสวะนําไปสู่มนุษย์อาสวะที่นําไปสู่เทวดาอันนั้นคือเรียกว่าอาสวะตัวนั้นเป็นชื่อของกรรมแล้วอาสวะอีกในหนึ่งเขาบอกว่าอาสวะที่พึงสังวรด้วยเรียกว่าสังวรหกเนี่ยนะสัพพาสวะสังวรสูตรเนี่ยก็คือสังวรโดยสังวรหกเช่นอาสวะที่พึงสังวรแปลว่าปิดนะอาสวะที่เป็นปิดด้วยการเห็นก็มีเป็นต้นแล้วก็ยังมีอาสวะเจ็ดนี่ไหม คำว่าอาสวะสั์เดียวเนี่ยถ้าไปเจอแปลเห็นที่ไหนแปลว่าหมักดองหมดใน ย, ยุ่งมากเลยเพื่อป้องกันเครื่องหมักดองในปัจจุบันเพื่อป้องกันเครื่องหมักดองในสัมปลายภพนะถ้าเห็นสั์แล้วแปลออกมาเลยนะหมักดองในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วหมักดองในสัมปลายภพมันเนีนี่ก็เหมือนการคืออยากให้รู้ว่าพยัญชนะในพระไตรปิฎกเนี่ยสับเดียวมีหลายความหมายมากเหมือนคําว่าธรรมะใช่ไหม ทำมากแปลว่าปริยัติก็ได้แปลว่าอบัติก็ได้แปลว่าบุญก็ได้แปลว่าสภาวะก็ได้แปลว่านิสัตตานิชีวะก็ได้แปลว่าวิการก็ได้ก็ต้องดูว่าพท์เหล่านั้นนั้นอยู่ที่ไหนคําว่าอภินญยักก็เหมือนกันดังที่กล่าวว่าในเสลสูตรกับพรมมาโยสูตรนั้นหมายถึงวิชากับวิมุตต์แต่ถ้าเป็นหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบนี้เป็นการแสดงตามปริยายพระสุตตะสูตร ถ้าสุตระสูตรเนี่ยนะแปลว่าถ้าสุตระก็คือธรรมะสิบหัวข้อมีสิบหัวข้อใหญ่แล้วแต่ละหัวข้อเนี่ยมีหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามจนถึงหมวดสิบสิบหัวข้อแต่ละหัวข้อมีหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบคนี้หมวดสุดท้ายเขาเรียกว่าหมวดอภินัยยธรรมทำหนึ่งควรรู้ยิ่งทำสองควรรู้ยิ่งทำสามควรรู้ยิ่งดังที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากล่าวตามปริยายถ้าสุตระสูตร ทนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคำจำกัดความเนื้อหาพยัญชนะเหมือนกันเนี่ยความครอบคลุมก็ต่างกันถ้าตามสังคีติสูตรเนี่ยนะตามสังคีติสูตรก็มีปริยายอีกปริยายหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเราก็เจอพยัญชนะที่ไหนปริยายไหนกล่าวอย่างไรเราก็กล่าวตามปริยายนั้นๆไปคือเราต้องศึกษาคําสอนเนี่ยนะ ที่ที่ควรคิดไว้คือยอมรับความหลากหลายทําไมพระพุทธเจ้าแต่งตั้งอสีติมหาสาวกเพราะแสดงว่าพระองค์ยอมรับความแตกต่างกันใช่ไหมถ้ามหากระสปะอยู่ป่าพระองค์ก็ชมพระอุบาลีพระองค์ให้อยู่ในเมืองอถ้าพระองค์ชมป่าทําไมไม่ให้พระอุบาลีไปอยู่ป่าเพราะพระอุบาลีขอไปอยู่ป่าใช่ไหมก็แสดงว่ายอมรับความหลากหลายความเป็นต่างๆเนี่ยนะ อัธยาศัยของสัตว์ก็เป็นต่างๆเหมือนกันทั้นแต่ละคำที่พระองค์แสดงนั้นก็มีความแตกต่างทีนี้แตกต่างไปแตกต่างมานะมันก็มีคนใช้คำเหล่านี้มาก่อกวนเพื่อความฟุ้งซ่านอีกเลยบอกว่าเลยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักวางั้นเถอะมันยุ่งไปหมดเลยอันนี้เราก็พูดเพื่อความฟุ้งซ่านตัวนะถ้าตามสังคีติสูตรก็ในหนึ่งตามถ้าสตลสูตรก็อีกในหนึ่งแต่นี้ยกตาม ถ้าสุตระสูตรด้วยแล้วก็ถ้านนัยยะไหนตามสังคีติสูตรก็จะบอกว่านี้ตามสังคีติสูตรถ้าตามถ้าสุตระสูตรเนี่ยนะทำหนึ่งควรรู้ยิ่งได้แก่สัพเพสัตตาหารติติกาสัพเพสัตตานี่แปลว่าสัตว์หมายถึงสังขารโดยสัตว์แปลว่าสัตว์แต่หมายถึงสังขารเพราะคําว่าสัตว์มีจริงไหม ไม่มีจริงโดยประมาภะเพราะฉะนั้นถ้าพูดคําว่าสัตว์หมายถึงสังขารที่เป็นที่ตั้งแห่งสัตว์เนี่ยนะสัตว์ทั้งกวงดํารงอยู่ด้วยอาหารอาหารตัวนั้นเป็นชื่อของปัจจัยเนี่ยนะผู้ที่กําหนดรู้สังขารพร้อมทั้งปัจจัยอันนี้แหละที่เรียกว่ายาตะปริญญานั้นคําว่ายาตะปริญญาไม่ใช่คลุมมาพินยายนิเทศทั้งหมดถ้าถ้าดูแล้วนะถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ย อ่าท่านม่งอธิบายว่ายาตะปริญญาคือคําว่าสัพเพสัตตาหารติติกาเนี่ยนะถ้าถ้าดูตามที่ผ่านมานะลองลองเช็คเช็คให้ดีๆไม่ใช่หมายถึงว่าอภินญยยธรรมทั้งหมดเป็นยาตะปริญญาไม่ใช่ถ้าดูให้ดีๆนะดูดีนี่ดูหน้าไหนนอนละหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบ้าเนี่ยกล่าวว่าสัพเพสัตตาหารติติการเนี่ยหมายถึงยาตะปริญญา ที่ตีนี้ว่าดำรงอยู่อาหารก็คือปัจจัยอาหารอาหารรั้นสังขารทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยปัจจัยันผู้ใดกําหนดสังขารและก็กําหนดปัดจจัยได้อย่างนี้แหละเรียกว่ายาตะปริญญาและก็ชี้แจงไว้นะว่าอภินญญายนิเทศอินยยธรรมนั้นที่เป็นยาตะปริญญานั้นน่ะ เน้นคําว่าสัพเพสาตาหารติทิกาเพราะทำสองที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ธาตุสองหมายถึงสังคตาธาตุอสังคตาธาตุทำสามที่ควรรู้ยิ่งก็คือธาตุสามธาตุสามนี่โอ้หลายไหนมากเนี่ยนะมีนไหนบ้างอะในกรรมะธาตุาาาารูปธาตุอรูปธาตุนิยะที่กล่าวถึงกุลศลธาตุอกุลศลธาตุเนี่ย น, นะกุละศลธาตุก็มีสามใช่ไหม เนี่ยรำมาธาตุอพยาบาทาธาตุอวิหิงสาธาตุอักุโสระธาตุก็มีสามอีกคือกามาธาตุทยาปาธาาตุวิหิงสาธาตุอย่างงี้ยนะแล้วก็มีธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธาตุธาตุอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีดแล้วใครศรัทธาธาตุไหนก็เอาไปพิจารณาเอาเถอ่ยนะได้หลายในไม่จํากัดส่วนธรรมสี่ที่ควรรู้ยิ่งคือ อริยสัจสี่นะเพราะอริยสัจก็เป็นอภินัยยธรรมใช่ไหมถ้าไปบอกว่ายาตาปริญญาเฉยๆก็ไม่คลุมพอพรอริยสัจสี่ก็เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมห้าที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้าวิมุตตายตนะห้าก็หนึ่งนะทวนนะน่าสนใจนะหนึ่งฟังก็บรรลุได้สองแสดงก็บรรลุได้สามสาธยายก็บรรลุได้สี่ ตรึกก็บรรลุได้ห้าเจริญกรรมฐานก็บรรลุได้นะก็ถ้าใครป่าถนาบนรรลุมรรคผลก็อย่าปฏิเสธอันใดอันหนึ่งก็แล้วกันถามว่าทั้งหมดห้าประการนี้บรรลุได้เพราะอะไรมากที่สุดฟังมากที่สุดเนี่ยนะแสดงก็มีอยู่บ้างเช่นพระเขมะกะใช่ไหมถ้าเขมะกะ่นั้นบนรรลุเพราะแสะดงสาธยายก็มีบรรลุนะถ้ารูปหนึ่งในสัจชายสูตรเนี่ยก็บรรลุเพราะสาธยาย ถ้าอย่างกลุ่มที่ตรึกแท่งแล้วบรรลุก็คืออย่างท่านุรุธทธะเนี่ยนะมหาปุริสวิตกแต่ผู้ที่เจริญกรรมฐานบรรลุเนี่ยนะมีฌานเป็นบาตบรรลุก็มากไปเออมากไม่ใช่น้อยส่วนธรรมะหกที่ควรรู้ยิ่งคืออนุตริยะหกหนึ่งทัศนานุตริยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมสองสาวนานุตริยะการฟังที่ยอดเยี่ยมสาม ลาพานุตรยะการได้ที่ยอดเยี่ยมดีใจไหมที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะนั่นแหละก็ลาพานุตริยะต่อไปสิกานุตริยะอนนะใครดีใจบ้างที่ได้รักษาศีลปกติบางคนทั่วๆไปไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่น <c> โ <oughs> หวันนี้รักษาศีลแปดเนี่ยอดข้าวเย็นเลยอย่างเง้ยนะโห้ดีใจเหลือเกินวันนี้ได้รักษาศีลแปดได้อดอาหารอีกมือหนึ่งแล้วเนี่ยนะรถมหาพูดไปตั้งมือหนึ่งเลยอะ ก็ถ้าดีใจอย่างนี้ได้ก็แจ๋วแล้วก็อันนี้เป็นสิกษานุตริยะนะสิกษาสามหน้าที่ศีลและศึกษาที่จิตสิกษาที่ปัญญาศิกขาต่อไปอีกปาริจารยานุตริยะการบำรุงที่ยอดเยี่ยมเมื่อวานเขาบำรุงเจดีกันไปขัดไปถูโยมคนข้างล่างเนะฝนตกก็สู้หน้าดูเลยต้องไปพยุงลงมานะ <c oughs> ขัดเจดีจนคาน้ําฝนต้องคนอื่นเขา ต้องไปพยุงลงมาแล้วก็โฟนสั่งมานิดหนึ่งก็ขึ้นไปขัดต่ออีกพนะระโถมเจดีไม่ใช่องค์เล็กๆนะขัดกันจนเสร็จได้นะเราก็กลับมาสนทนากันตั้งนานนะเขาเพิ่งมาถึงกันก็นี่ก็เป็นปริจริยานุตรยาเนะก็ได้บำรุงก็ดีกว่าขัดห้องน้ำทั่วๆไปตั้งมากมายเหมือนแล้วก็สุดท้ายก็อนุสตานุตรยาการตามระลึกที่ยอดเยี่ยมน ะ, จะเจริญพุทธานุสติจเจริญอนุสติเนี่ยนะ เมื่อใดที่เราได้เจริญอนุสตินะโหนี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วให้ดีใจเถอะที่ได้เจริญอนุสติที่ยอดเยี่ยมส่วนธรรมะเจ็ดที่ควรรู้ยิ่งคือนิชระวัตถุเจ็ดอ่าเข้าไปนิทัศวัตถุเจ็ดนิทัศวัตถุเจ็ดก็คือไม่ใช่สิบอันที่จริงไม่ใช่สิบเท่านั้นนะไม่ใช่เก้าไม่ใช่แปดไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่หกไม่ใช่ห้าไม่ใช่สี่ไม่ใช่สามไม่ใช่สองไม่ใช่หนึ่ง อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงพาหันผู้ที่ถ้าเป็นพาหันแล้วไม่ต้องปฏิสนธิอีกเนี่ยไม่ต้องนับเรียกสิบก็ได้ไม่ต้องเรียกเก้าเรียกแปดเรียกเจ็ดเรียกหกห้าสี่สาสองหนึ่งไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สิบในบรรดานิทธสเนี่นะหน้าหน้าคิดไหมในในหัวข้อเจ็ดหัวข้อเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดหนึ่งว่าเราเนี่ยใกล้บรรลุมรรคผลหรือ ย, ยัง ดูเกือบๆหรือยังแตไม่ปฏิสนธิอีกนะเนีหนึ่งแม้ชอบสิกขาอย่างแรงกล้ารักรักสิกขาสามมากเลยนะโอ้รู้สุกรักสิกขาจริงๆอันนี้ใครมีแล้วนะมีก็อนุโมทนาด้วยนะโอ้รักศิกขาสามมากเลยนะเนี่นี่จะให้รักษาศีลไปถึงไหนเนี่ยเนะ่อันนี้ก็ไม่ใช่เลยนะ น, นี้ไม่ใช่รักเลยนะนี่อันนี้โอดครวนแนละ้